พระบัญญัติ548ก็ภิกษุธรรจีวรมีขนาดเท่ากับสุคตจีวรหรือใหญ่กว่าต้องเอาบัตรปาจิตตีที่ชื่อว่าเชเทนกะขนาดเท่าสุคตจีวรของสุคตในข้อนั้นคือยาว9้า9คืบกว้างหคืบโดยคืบสุคตนี้เป็นขนาดเท่าสุคตจีวรของพระสุคตเรื่องพระนันทจบ